วาระวาระว่าด้วยภละผู้เจริญเมตตาไม่หวั่นไหวเพราะความไม่มีศรัทธาด้วยมนัสการว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรมีความปลอดโปร่งมีสุขเถิดเมตตาเจโตวิมุติชื่อว่าอบรมแล้วด้วยศรัทธาภละผู้เจริญเมตตาไม่หวั่นไหวเพราะความเกลียคร้อนด้วยมนัสการว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร มีความปลอดปโปร่งมีสุขเถิดเมตตาเจโตวิมุตชื่อว่าอบรมแล้วด้วยว ouais ิริยะพละผู้เจริญเมตตาไม่หวั่นไหวเพราะความประมาทด้วยมนัสุการว่าขอสัตั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรมีความปลอดโปร่งมีสุขเถิดเมตตาเจโตวิมุตชื่อว่าอบรมแล้วด้วยสติพละผู้เจริญเมตตาไม่หวั่นไหวเพราะอุทัจะด้วยมนัสุการว่า ขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรมีความปลอบโรง่งมีสุขเถิดเมตตาเจโตวิมุติชื่อว่าอบรมแล้วด้วยสมาธิภละผู้จเจริญเมตตาไม่หวั่นไหวเพราะอาวิชชาด้วยมานัสการว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรมีความปลอบโปรงมีสุขเถิดเมตตาเจโตวิมุติชื่อว่าอบรมแล้วด้วยปัญญาภละ พระห้าประการนี้เป็นอาศัยวนะของเมตตาเจโตวิมุตต์บุคคลย่อมปฏิบัติเมตตาเจโตวิมุตตด้วยพระห้าประการนี้พระห้าประการนี้เป็นภาวนาของเมตตาเจโตวิมุตตบุคคลย่อมเจริญเมตตาเจโตวิมุตตด้วยพระห้าประการนี้พระห้าประการนี้เป็น พ, น พ, น พ, นนพหุลีกรรมของเมตตาเจโตวิมุตต บุคคลย่อมทำให้มากซึ่งเมตตาเจโตวิมุตตด้วยพละห้าประการนี้พระห้าประการนี้เป็นอลังการของเมตตาเจโตวิมุตตบุคคลย่อมประดับเมตตาเจโตวิมุตตด้วยพระห้าประการนี้พระห้าประการนี้เป็นบริขารของเมตตาเจโตวิมุตตบุคคลย่อมปรุงแต่งเมตตาเจโตวิมุตด้วยพระห้าประการนี้พระห้าประการนี้เป็นบริวารของเมตตาเจโตวิมุตต บุคคลย่อมห้อมล้อมเมตตาเจโตวิมุตต์ด้วยพระห้าประการนี้พระห้าประการนี้เป็นอาเสวณะเป็นภาวนาเป็นพระหุลีกรรมเป็นอลังการเป็นบริคารเป็นบริวารเึงความเต็มรอบเป็นสหรคตเป็นสหชาติเป็นความเกี่ยวข้องเป็นสัมปยุตตะเป็นความแล่นไปเป็นความผ่องใสเป็นความตั้งอยู่ด้วยดี เป็นความพ้นวิเศษเป็นความเห็นว่านี้ละเอียดของเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาเจโตวิมุตติที่บุคคลทำให้เป็นดุจยานทำให้เป็นที่ตั้งตั้งไว้หนึ่งเนืองสั่งสมแล้วปรารภเสมอดีแล้วเจริญดีแล้วอธิษฐานดีแล้วดำเนินไปดีแล้วพ้นวิเศษแล้วเย่อมยางเมตตานั้นให้เกิดให้โช่ช่วงให้สว่างสวยัย พละวาระจบสาม้ชังคาวาระวาระว่าด้วยโพชงผู้เจริญเมตตาตั้งสติไว้มั่นว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรมีความปลอดโปร่งมีสุขเถิดเมตตาเจโตวิมุตติชื่อว่าอบรมแล้วด้วยสติสัมโูชงผู้เจริญเมตตาเลือกเฟ้นด้วยปัญญาว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร เมตตาเจโตวิตมช่อว่าอบรมแล้วด้วยธรรมวิทยะสัมโพชฌงผู้เจริญเมตตาประคองความเพียรว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรเมตตาเจโตวิติช่อว่าอบรมแล้วด้วยวิริยะสัมโพชฌงผู้เจริญเมตตาระงับความเร่าร้อนว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรเมตตาเจโตวิติช่อว่า อบรมแล้วด้วยปิติสัมโพชฌงผู้เจ ร, ร, ริญเมตตาระงับความทิดชั่วหยาบว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรเมตตาเจโตวิมติช่อว่าอบรมแล้วด้วยปัสจติสัมโพชฌงผู้เจริญเมตตาตั้งจิตไว้ม <renovation> ั่นว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรเมตตาเจโตวิมติช่อว่าอบรมแล้วด้วยสมาธิสัมโพชฌง ผู้เจริญเมตตาเพ่งเฉยกิเลสทั้งหลายด้วยญาณว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรมีความปลอดโปร่งมีสุขเถิดเมตตาเจโตวิมุติชื่อว่าอบรมแล้วด้วยอุเบกขาสัมโพชงโพชงเจ็ดประการนี้เป็นอาเสวณะของเมตตาเจโตวิมุตบุคคลย่อมปฏิบัติเมตตาเจโตวิมดดุตเพื่อโพชงเจ็ดประการนี้ พ่อชงเจตประการนี้เป็นภาวนาของเมตตาเจโตวิมุตต์บุคคลย่อมเจริญเมตตาเจโตวิมุตต์ด้วยโพ่อชงเจตประการนี้พ่อชงเจตประการนี้เป็นพหุรีกรรมของเมตตาเจโตวิมุตต์บุคคลย่อมทําให้มากซึ่งเมตตาเจโตวิมุตต์ด้วยโพ่อชงเจตประการนี้พ่อชงเจตประการนี้เป็นอลังการของเมตตาเจโตวิมุตต์บุคคลย่อมประดับเมตตาเจโตวิมุตต์ ด้วยพ like ่อชงเจตประการ น, นี้โ <partes> พ่อชงเจตประการนี้เป็นบริขารของเมตตาเจโตวิมุตติบุคคลย่อมปรุงแต่งเมตตาเจโตวิมุตติด้วยโพ่อชงเจตประการนี้โพ่อชงเจตประการนี้เป็นบริวารของเมตตาเจโตวิมุตติบุคคลย่อมห่อมล้อเมตตาเจโตวิมุตติด้วยโพ่อชงเจตประการนี้โพ่อชงเจตประการนี้เป็นอาเจวะนัเป็นภาวนาเป็นภุริกรรม เป็นอลังการเป็นบริการเป็นบริวารเป็นความเต็มรอบเป็นสหรคตเป็นสหชาติเป็นความเกี่ยวข้องเป็นสัมปยุตตะเป็นความแล่นไปเป็นความผองใช้เป็นความตั้งอยู่ด้วยดีเป็นความพ้นวิเศษเป็นความเห็นว่านี้ละเอียดของเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาเจโตวิมุตติที่บุคคลทําให้เป็นดุจยานทําให้เป็นที่ตั้ง ตั้งไว้หนึ่งเนืองสั่งสมแล้วปรารภเสมอดีแล้วเจริญดีแล้วอธิษฐานดีแล้วดำเนินไปดีแล้วพ้นวิเศษแล้ว ย, ออย่อมยังเมตตานั้นให้เกิดให้โชดช่วงให้สว่างสวัยพ่ชังคะวาระจบสี่มักคังคาวาระวาระว่าด้วยองค์แห่งมกักผู้เจริญเมตตาเห็นโดยชอบว่า ขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรมีความปลอดโปร่งมีสุขเถิดเมตตาเจโตวิมุติว่าอบรมแล้วด้วยสัมมาทิฏฐิผู้เจริญเมตตาตรึกตรองโดยชอบว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรเมตตาเจโตวิมุติว่าอบรมแล้วด้วยสัมมาสังกัปปะผู้เจริญเมตตากำหนดโดยชอบว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร เมตาเจโตวิมุติชื่อว่าอบรมแล้วด้วยสัมมาวาจาผู้เจริญเมตตาตั้งการงานไว้โดยชอบว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรเมตาเจโตวิมุติชื่อว่าอบรมแล้วด้วยสัมมากัมมันตะผู้เจริญเมตตาชัมระอาชีวะให้พ่องแผ่วโดยชอบว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรเมตาเจโตวิมุติชื่อว่า อบรมแล้วด oh, ้วยสัมมาอาชีวะผู้เจริญเมตตาประคองความเพียรไว้โดยชอบว่าขอสั์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรเมตตาเจโตวิมุติชื่อว่าอบรมแล้วด้วยสัมมาวายามะผู้เจริญเมตตาตั้งสติไวโดยชอบว่าขอสัดทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรเมตตาเจโตวิมุติชื่อว่าอบรมแล้วด้วยสัมมาสติ ผู้จเจริญเมตตาตั้งจิตไว้โดยชอบว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรมีความปลอดโปร่งมีสุขเถิดเมตตาเจโตวิมุตชชิว่าอบรมแล้วด้วยสัมมาสมาธิองค์มรรคแปประการนี้เป็นอเสวณะของเมตตาเจโตวิมุตติบุคคลย่อมปฏิบัติเมตตาเจโตวิมุตติด้วยองค์มรรคแปประการนี้องค์มรรคแปประการนี้เป็นภาวนาของเมตตาเจโตวิมุตติ บุคคลย่อมเจริญเมตตาเจโตวิมุตต์ด้วยองค์มร๊ะแประการนี้องค์มร๊ะแประการนี้เป็นพหุลีกรรมของเมตตาเจโตวิมุตต์บุคคลย่อมทำให้มากซึ่งเมตตาเจโตวิมุตต์ด้วยองค์มร๊ะแประการนี้องค์มร๊ะแประการนี้เป็นอลังการของเมตตาเจโตวิมุตต์บุคคลย่อมประดับเมตตาเจโตวิมุตต์ด้วยองค์มร๊ะแปประการนี้ องค์มรรคแปดประการนี้เป็นบริขารของเมตตาเจโตวิมุตต์บุคคลย่อมปรุงแต่งเมตตาเจโตวิมุตต์ด้วยองค์มรรคแปดประการนี้องค์มรรคแปดประการนี้เป็นบริวารของเมตตาเจโตวิมุตต์บุคคลย่อมห่อมล้อมเมตตาเจโตวิมุตต์ด้วยองค์มรรคแปดประการนี้องค์มรรคแปดประการนี้เป็นอาเศวณะเป็นภาวนาเป็นภุริกรรมเป็นอลังการเป็นบริขาร เป็นบริวารเป็นความเต็มรอบเป็นสหรคตเป็นสหชาติเป็นความเกี่ยวข้องเป็นสัมปยุตตะมีความแล่นไปมีความผ่องใสเป็นความตั้งอยู่ด้วยดีเป็นความพ้นวิเศษเป็นความเห็นว่านี้ละเอียดของเมตตาเจโตวิมุติเมตตาเจโตวิมุตที่บุคคลทําให้เป็นดุจยานทําให้เป็นที่ตั้งตั้งไว้เนืองเนืองสั่งสมแล้ว ปรารภเสมอดีแล้วเจริญดีแล้วอธิษฐานดีแล้วดำเนินไปดีแล้วพ้นวิเศษแล้ว ย, ออย่อมยังเมตตานั้นให้เกิดให้โชตช่วงให้สว่างสวยัยผู้เจริญเมตตาแผ่ความรักไปสู่ปานชาติทั้งปวงสู่ผู้ทั้งปวงสู่บุคคลทั้งปวงสู่ผู้ที่นับเนื่องด้วยอัตภาพทั้งปวงสู่สตรีทั้งปวงสู่บุรุษทั้งปวง สู่อารยชนทั้งปวงสู่อนาารยชนทั้งปวงสู่เทวดาทั้งปวงสู่มนุษย์ทั้งปวงผู้เจริญเมตตาแผ่ความรักไปสู่วินิปานิกษัตริย์ทั้งปวงด้วยอาการ8อย่างนี้คือ 1. ด้วยเว้นความบีบคั้นไม่บีบคั้นวินิปานิกษัตริย์ทั้งปวง 2. ด้วยเว้นการฆ่าไม่ฆ่าวินิปานิกษัตริย์ทั้งปวง 3. ด้วยเว้นการทําให้เดือดร้อน ไม่ทำวินิปาธิกระสับทั้งปวงให้เดือดร้อนสด้วยเว้นความย่ำยีไม่ย่ำยีวยินิปากิกระสับทั้งปวงหด้วยเว้นการเบียดเบียนไม่เบียดเบียนวินิปาธิกระสับทั้งปวง 6. ขอวินิปาธิกระสับทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอย่าได้มีเวรกัน 7. จงเป็นผู้มีสุขอย่ามีทุกข์ 8. จงมีตนเป็นสุขอย่ามีตนเป็นทุกข์ เพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าเมตตาจิตคิดถึงธรรมนั้นเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าเจโตจิตพ้นจากความพยาบามและกิเลสที่คลุ้มรุมจิตทั้งปวงเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าวิมุตเมตตาด้วยเป็นเจโตวิมุตด้วยเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าเมตตาเจโตวิมุตผู้เจริญเมตนาน้อมใจเชื่อด้วยศรัทธาว่า ขอวินิปาดกุกษัตริย์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรมีความปลอดโปร่งมีสุขเถิดเมตตาเจโตวิมุตติว่าอบรมแล้วด้วยสัจทินสีย่อมให้รุ่งเรืองให้ช่่ช่วงให้สว่างสวยัยผู้เจรมมิญเมตตาแผ่ความรักไปสู่สัตว์ทั้งปวงในทิศปุรภาสู่สัตว์ทั้งปวงในทิศปัจฉิมสู่สัตว์ทั้งปวงในทิศอุดรสู่สัตว์ทั้งปวงในทิศทักษิณ สู่สัตว์ทั้งปวงในทิศอาคเนย์สู่สัตว์ทั้งปวงในทิศพายัพสู่สัตว์ทั้งปวงในทิศอีสานสู่สัตว์ทั้งปวงในทิศโรดีสู่สัตว์ทั้งปวงในทิศเบื้องล่างผู้เจริญเมตตาแผ่ความรักไปสู่สัตว์ทั้งปวงในทิศเบื้องบนด้วยอาการแปดอย่างนี้คือหนึ่งด้วยเว้นความบีบคั้นไม่บีบคั้นสัตว์ทั้งปวงในทิศเบื้องบน 2. ด้วยเว้นการฆ่า ไม่ฆ่าสัตว์ทั้งปวงในทิศเบื้องบน 3. ด้วยเว้นการทำให้เดือดร้อนไม่ทำสัตว์ทั้งปวงในทิศเบื้องบนให้เดือดร้อน 4. ด้วยเว้นความย่ยมเยียไม่ยี่ยยียสัตว์ทั้งปวงในทิศเบื้องบน 5. ด้วยเว้นการเบียดเบียนไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งปวงในทิศเบื้องบน 6. ขอสัตว์ทั้งปวงในทิศเบื้องบนจงเป็นผู้ไม่มีเวรอย่าได้มีเวรกัน 7. จงเป็นผู้มีสุขอย่ามีทุกข์แปดจงมีตนเป็นสุขอย่ามีตนเป็นทุกข์เพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าเมตตาจิตคิดถึงธรรมนั้นเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าเาจโ ต, ต, จ, ตจิตพ้นจาก พ, พยาบาทและกิเลสที่คลุ้มรุมจิตทั้งปวงเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าวิมุตตเมตตาด้วยเป็นเจโตวิมุตต์ด้วยเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าเมตตาเจโตวิมุตต ผู้เจริญเมตาน้อมใจเชื่อด้วยศรัทธาว่าขอวินิปาเตปสัตว์ ท, ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรมีความปลอดโปร่งมีสุขเถิดเมตตาเจโตวิมุติชื่อว่าอบรมแล้วด้วยสัททินสีเย่อมให้รุ่งเรืองให้โช่อช่วงให้สว่างสวยัย เชิเมตตาแผ่ความรักไปสู่ปานชาติทั้งปวงในทิพยปุรพาสู่ผู้ทั้งปวงในทิพยปุรพาสู่บุคคลทั้งปวงในทิพยปุรพาสู่ผู้นับเนื่องในอัตภาพทั้งปวงในทิพยปุรพาสู่สตรีทั้งปวงในทิพยปุรพาสู่บุรุษทั้งปวงในทิพยปุรพาสู่อริยชนทั้งปวงในทิพยปุรพาสู่อนารยชนทั้งปวงในทิพยปุรพาสู่เทวดาทั้งปวงในทิพยปุรพา สู่มนุษย์ทั้งปวงในทิศฐิปุรพาผู้เจริญเมตตาแผ่ความรักไปสู่วินิปาติประสาททั้งโปวงในทิศฐิปุรพาสู่วินิปาติประสาททั้งโปวงในทิศปัจฉิมสู่วินิปาติประสาททั้งโปวงในทิศอุดรสู่วินิปาติประสาททั้งโปวงในทิศทักษินสู่วินิปาติประสาททั้งโปวงในทิศอาคเนยสู่วินิปาติประสาททั้งปวงในทิศพายัพสู่วินิปาติประสาททั้งโปวงในทิศอีสาน ส, สูวินิปาตึกเกษตรทั้งปวงในทิศทรดีสู่วินิปานตึกเกษตรทั้งปวงในทิศเบื้องล่างผู้เจริญเมตตาแผ่ความรักไปสู่วินิปาตึกเกษตรทั้งปวงในทิศเบื้องบนด้วยอาการแปดอย่างนี้คือ 1. ด้วยเว้นความบีบคั้นไม่บีบคั้นวินิปาตึกเกษตรทั้งปวงในทิศเบื้องบน 2. ด้วยเว้นการฆ่าไม่ฆ่าวินิปานตึกเกษตรทั้งปวงในทิศเบื้องบน สด้วยเว้นการทําให้เดือดร้อนไม่ทําวินิปาตรกษัตร์ทั้งปวงในทิศเบื้องบนให้เดือดร้อน 4. ด้วยเว้นความย่ํำยีไม่ย่ํำยีวินิปาตรกษัตร์ทั้งปวงในทิศเบื้องบน 5. ด้วยเว้นการเบียดเบียนไม่เบียดเบียนวินิปาตรกษัตร์ทั้งปวงในทิศเบื้องบน 6. กพอวินิปาตรกษัตร์ทั้งปวงในทิศเบื้องบนจงเป็นผู้ไม่มีเวรอย่าได้มีเวรกัน7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 ผู้เจริญเมตาน้อมใจเชื่อด้วยศรัทธาว่าขอวินิปากถึงประสาททั้งโป่งในทิศเบื้องบนจงเป็นผู้ไม่มีเวรมีความปลอดโปร่งมีสุขเถิดเมตตาเจโตวิมุติชื่อว่าอบรมแล้วด้วยสัจทินสีผู้เจริญเมตตาประคองความเพียรไว้ว่าขอวินิปากถึงประสาททั้งโป่งในทิศเบื้องบนจงเป็นผู้ไม่มีเวรมีความปลอดโปร่งมีสุขเถิด เมตตาเจโตวิมุตต์ชื่อว่าอบรมแล้วด้วยวริยินสีผู้เจริญเมตตาตั้งสติไว้มั่นเมตตาเจโตวิมุตต์ชื่อว่าอบรมแล้วด้วยสตินสีผู้เจริญเมตตาตั้งจิตไว้มั่นเมตตาเจโตวิมุตต์ชื่อว่าอบรมแล้วด้วยสมาธินสีผู้เจริญเมตตารู้ชัดด้วยปัญญาเมตตาเจโตวิมุตต์ชื่อว่าอบรมแล้วด้วยปัญญินสี อินทรีห้าประการนี้เป็นอาศัยวนะของเมตตาเจโตวิมุตต์บุคคลย่อมปฏิบัติเมตตาเจโตวิมุตต์ด้วยอินทรีห้าประการนี้ย่อมยังเมตตานั้นให้เกิดให้ชดช่วงให้สว่างสวยัยผู้เจริญเมตตาไม่หวั่นไหวเพราะความไม่มีศรัทธาด้วยมานาสิการว่าขอวินิปาทิปสัตว์ทั้งโป่งในทิศเบื้องบนจงเป็นผู้ไม่มีเวรมีความปลอดโปร่งมีสุขเถิด เมตตาเจโตวิมุตต์ชื่อว่าอบรมแล้วด้วยศรัทธาภละผู้เจริญเมตตาไม่หวั่นไหวเพราะความเกียรคร้านเมตตาเจโตวิมุตต์ชื่อว่าอบรมแล้วด้วยวิริยะภละผู้เจริญเมตตาไม่หวั่นไหวเพราะความประมาทเมตตาเจโตวิมุตต์ชื่อว่าอบรมแล้วด้วยสติภละผู้เจริญเมตตาไม่หวั่นไหวเพราะอุทัจฉะเมตตาเจโตวิมุตต์ชื่อว่า อบรมแล้วด้วยสมาธิพละผู้เจริญเมตตาไม่หวั่นไหวเพราะอาวิชชาเมตตาเจโตวิมุติชื่อว่าอบรมแล้วด้วยปัญญาภละพละห้าประการนี้เป็นอาศสยวณหของเมตตาเจโตวิมุตติบุคคลย่อมปฏิบัติเมตตาเจโตวิมุตติด้วยพละห้าประการนี้ย่อมยังเมตตานั้นให้เกิดให้โช่่ช่วงให้สว่างสวยัย ผู้เจริญเมตตาตั้งสติไว้มั่นว่าขอวินิปาเตกษัตริย์ทั้งปวงในทิศเบื้องบนจงเป็นผู้ไม่มีเวรมีความปลอบโปรง่งมีสุขเถิดเมตตาเจโตวิมุติชื่อว่าอบรมแล้วด้วยสติสัมโพชฌงผู้เจริญเมตตาเลือกเฟ้นด้วยปัญญาเมตตาเจโตวิมุติชื่อว่าอบรมแล้วด้วยธรรมวิทยาสัมโพชฌงผู้เจริญเมตตาประคองความเพีย เมตตาเจโตวิมุติชื่อว่าอบรมแล้วด้วยวิริยะสัมโพชฌงผู้เจริญเมตตาระงับความเร in ่าร้อนเมตตาเจโตวิมุติชื่อว่าอบรมแล้วด้วยปิติสัมโพชฌงผู้เจริญเมตตาระงับความคิดชั่วหยาบเมตตาเจโตวิมุติชื่อว่าอบรมแล้วด้วยปัสทิสัมโพชฌงผู้เจริญเมตตาตั้งจิตไว้มั่นเมตตาเจโตวิมุติชื่อว่า อบรมแล้วด้วยสมาธิสัมโภชงผู้จเจริญเมตตาเพ่งเฉยกิเลสทั้งปวงด้วยญาณเมตตาเจโตวิมุตชื่อว่าอบรมแล้วด้วยอุเบกขาสัมโภชงโภชงคเจตประการนี้เป็นอาเซวนะของมเมตตาเจโตวิมุตบุคคลย่อมปฏิบัติเมตตาเจโตวิมุตด้วยโภชงคเจตประการนี้ย่อมยังเมตตานั้นให้เกิดให้โชดช่วงให้สว่างสวยัย ผู้เจริญเมตตาเห็นโดยชอบว่าขอวินิปาติกัสิย์ทั้งปวงในทิศเบื้องบนจงเป็นผู้ไม่มีเวรมีความปลอบโปรงมีสุขเถิดเมตตาเจโตวิมุติชื่อว่าอบรมแล้วด้วยสัมมาทิฏฐิผู้เจริญเมตตาตรึกตรองโดยชอบเมตตาเจโตวิมุติชื่อว่าอบรมแล้วด้วยสัมมาสังขปะผู้เจริญเมตตากำหนดโดยชอบเมตตาเจโตวิมุติชื่อว่า อบรมแล้วด้วยสัมมาวาจาผู้เจริญเมตตาตั้งการงานไว้โดยชอบเมตตาเจโตวิมุติชื่อว่าอบรมแล้วด้วยสัมมากรรมันตะผู้เจริญเมตตาชําระอาชีวะให้พองแผ่วโดยชอบเมตตาเจโตวิมุติชื่อว่าอบรมแล้วด้วยสัมมาอาชีวะผู้เจริญเมตตาประคองความเพียรไว้โดยชอบเมตตาเจโตวิมุติช mm ื่อว่า อบรมแล้วด้วยสัมมาวายามะผู้เจริญเมตตาตั้งสติไว้โดยชอบเมตตาเจโตวิมุติชื่อว่าอบรมแล้วด้วยสัมมาสติผู้เจริญเมตตาตั้งจิตไว้โดยชอบเมตตาเจโตวิมุติชื่อว่าอบรมแล้วด้วยสัมมาสมาธิองค์มรแปรประการนี้เป็นอาศัยวณะของเมตตาเจโตวิมุติบุคคลย่อมปฏิบัติเมตตาเจโตวิมุติ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 เป็นความเขี่ยวข้องเป็นสัมปยุตตะเป็นความแล่นไปเป็นความผ่องใสเป็นความดำรงมั่นเป็นความพ้นวิเศษเป็นความเห็นว่านี้ละเอียดของเมตตาเจโตวิมุตต์เมตตาเจโตวิมุตต์ที่บุคคลทําให้เป็นดุจยานทําให้เป็นที่ตั้งตั้งไว้หนึ่งเนืองสั่งสมแล้วปรารภเสมอดีแล้วเจริญดีแล้วอธิฐานดีแล้ว ดำเนินไปดีแล้วพ้นวิเศษแล้วย่อมยังเมตานั้นให้เกิดให้ชดช่วงให้สว่างสวยัยมรรคคังควาระจบเมตตาคถาจบ พระคถาว่าด้วยวิราคะวิราคะชื่อว่ามักวิมุติชื่อว่าผลวิราคะชื่อว่ามักเป็นอย่างไรคือในขณะแห่งโสดาปฏิมักวิราคะที่ชื่อว่าสัมมาทิฐิเพราะมิจภาวะเห็นย่อมคลายจากมิชาทิฐิคลายจากกิเลสอันเป็นไปตามมิชาทิฐินั้นจากขันและคลายจากสรรพนิมิตรภายนอก วิราคะมีวิราคะเป็นอารมณ์มีวิราคะเป็นโคจรรวมลงในวิราคะตั้งอยู่ในวิราคะปฏิสถานอยู่ในวิราคะคำว่าวิราคะอธิบายว่าวิราคะมีสองอย่างคือหนึ่งนิพานเป็นวิราคะสองทมทั้งปวงที่เกิดเพราะมีนิพานเป็นอารมณ์เป็นวิราคะเพราะฉะนั้นมากจึงเป็นวิราคะ องมัคเจ็ดที่เป็นสหาชาติย่อมถึงความเป็นวิราคะเพราะฉะนั้นวิราคะจึงเป็นมัคพระพุทธเจ้าและสาวกย่อมถึงนิพพานซึ่งเป็นทิศที่ไม่เคยไปด้วยมัคนี้เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ามัคมีองค์8ดอริยมัคมีองค์แปดนี้เท่านั้นลำเลิศเป็นประธานสูงสุดและประเสริฐความมัคของสมณพราหมณ์เป็นจํานวนมากผู้ถือลัฐที่อื่นเพราะฉะนั้น มักมีองค์แปดจึงประเสริฐความมักทั้งหลายวิราคะที่ชื่อว่าสัมมาสังกัปปะเพราะมีสภาวะตรตรองย่อมคลายจากมิฉาสังกัปปะวิราคะที่ชื่อว่าสัมมาวาจาเพราะมีสภาวะกําหนดย่อมคลายจากมิฉาวาจาวิราคะที่ชื่อว่าสัมมากัมมันตะเพราะมีสภาวะเป็นสมุทฐานย่อมคลายจากมิฉากัมมันตะ วิราคะที่ชื่อว่าสัมมาอาชีวะย่อมมีสภาวะผ่องแผ้วย่อมคลายจากมิฉาอาชีวะวิราคะที่ชื่อว่าสัมมาวายามะเพราะมีสภาวะประคองไว้ย่อมคลายจากมิฉาวายามะวิราคะที่ชื่อว่าสัมมาสติเพราะมีสภาวะตั้งมั่นย่อมคลายจากมิฉาสติวิราคะที่ชื่อว่าสัมมาสมาธิ เพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่านย่อมคลายจากมิจฉาสมาธิคลายจากกิเลส ท, ที่เป็นไปตามมิจฉาสมาธินั้นจากขันและคลายจากสรรพนิมิตภายนอกวิราคะจึงมีวิราคะเป็นอารมณ์มีวิราคะเป็นโคจรรวมลงในวิราคะตั้งอยู่ในวิราคะประดิษฐานอยู่ในวิราคะคำว่าวิราคะอธิบายว่า วิราคะมีสองอย่างคือหนึ่งนิพพานเป็นวิราคะสองทำทั้งปวงที่เกิดเพราะมีนิพพานเป็นอารมณ์เป็นวิราคะเพราะฉะนั้นมักจึงเป็นวิราคะองค์มักเจดที่เป็นสหาชาติย่อมถึงความเป็นวิราคะเพราะฉะนั้นวิราคะจึงเป็นมักพระพุทธเจ้าและสาวกย่อมถึงนิพพานซึ่งเป็นทิศ ท, ที่ไม่เคยไปด้วยมักนี้ เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ามัคมีองแปดอริยมัคมีองค์8นี้เท่า น, นั้นล้ำเลิศเป็นประธานสูงสุดและประเสริฐกวามัคของสมณพราหมณ์เป็นจํานวนมากผู้ถือลทัทธิอื่นฉะนั้นมัคมีองแปดจึงประเสริฐกว่ามัคทั้งหลายในขณะแห่งสกทาคามิมัควิราคาที่ชื่อว่าสัมมาทิฐิเพราะมีสภาวะเห็นวิราคะที่ชื่อว่าสัมมาสมาธิ เพราะมีสภาวะมีฟุ้งซ่านย่อมคลายจากก ร, รมราคะสังโยชน์จากปฏิฆะสังโยชน์ส่วนที่ห ย, ยาบยาบจากก ร, รมราคานุสัสจากปฏิฆานุใสส่วนที่ห ย, ยาบยาบคลายจากกิเลสที่เป็นไปตามมิจฉาสมาธินั้นจากขันธ์และคลายจากสัพนิมิตภายนอกวิราคะจึงมีวิราคะเป็นอารมณ์มีวิราคะเป็นโคจรรวมลงในวิราคะตั้งอยู่ในวิราคะ ประดิษฐานอยู่ในวิราคะคำว่าวิราคะอธิบายว่าวิราคะมีสองอย่างคือหนึ่งนิพพานเป็นวิราคะสองทาทั้งปวงที่เกิดเพราะมีนิพพานเป็นอารมณ์เป็นวิราคะเพราะฉะนั้นมักมีองค์แปดจึงประเสริฐกว่ามักทั้งหลายในขณะแห่งอนาคามิมกักวิราคะที่ชื่อว่าสัมมาทิฐิเพราะมีสภาวะเห็น วิราคะที่ชื่อว่าสัมมาสมาธิเพราะมิจฉาวะไม่ฟุ้งซ่านย่อมคลายจากการมราคะสังโยชน์จากปฏิฆะสังโยชน์ส่วนที่ละเอียดละเอียดจากการมราคานุสัยจากปฏิฆานุสัยส่วนที่ละเอียดละเอียดคลายจากกิเลสที่เป็นไปตามมิจฉาสมาธินั้นจากขันและคลายจากสัพนิมิตภายนอกวิราคะจึงมีวิราคะเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้น มักมีองค์แปดจึงประเสริฐความมักทั้งหลายในขณะแห่งอรหัตมักวิราคะที่ชื่อว่าสัมมาทิฐิเพราะมีสภาวะเห็นวิราคะที่ชื่อว่าสัมมาสมาธิเพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่านย่อมคลายจากรูปราคะจากอรูปราคะจากบุตจจะจากอวิชชาจากมานานุสัยจากภวะราคะนุสัยจากอวิชนานุใส คลายจากกิเลสที่เป็นไปตามมิจฉาสมาธินั้นจากขันและคลายจากสรพนิมิตภายนอกวิราคะจึงมีวิราคะเป็นอารมณ์มีวิราคะเป็นโคจรรวมลงในวิราคะตั้งอยู่ในวิราคะประดิษฐานอยู่ในวิราคะคำว่าวิราคะอธิบายว่าวิราคะมีสองอย่างคือหนึ่งนิพพานเป็นวิราคะ สองทำทั้งปวงที่เกิดเพราะนิพพานเป็นอารมณ์เป็นวิราคะเพราะฉะนั้นมรรคจึงเป็นวิราคะองค์มรรคเจที่เป็นสหาชาติย่อมถึงความเป็นวิราคะเพราะฉะนั้นวิราคะจึงเป็นมรรคพระพุทธเจ้าและสาวกย่อมถึงนิพพานซึ่งเป็นทิ่ที่ไม่เคยไปด้วยมรรคนี้เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ามรรคมีองค์8ปดอริยมรรคมีองค์8ดนี้เท่านั้นลำเลิศเป็นประธานสูงสุด และประเสริฐความมักคของสมณพราหมณ์เป็นจํานวนมากผู้ถือลทัทธิอื่นเพราะฉะนั้นมรรคมีองค์8จึงประเสริฐความมรรคทั้งหลายวิราคะคือความเห็นชื่อว่าสัมมาทิฐิวิราคะคือความตรึกตรองชื่อว่าสัมมาสังกัปปะวิราคะคือความกําหนดชื่อว่าสัมมาวาจาวิราคะคือสมุทฐานชื่อว่าสัมมากรรมันตะ วิราคะคือความผ่องแผ้วชื่อว่าสัมมาอาชีวะวิราคะคือการประคองไว้ชื่อว่าสัมมาวายามะวิราคะคือความตั้งมั่นชื่อว่าสัมมาสติวิราคะคือความไม่ฟุ้งซ่านชื่อว่าสัมมาสมาธิวิราคาคือความตั้งมั่นชื่อว่า ส, ามมาสติสัมโพชฌงควิราคะคือการเลือกเฟ้นชื่อว่าธรรมวิจยสัสมโพชฌง วิราคะคือการประคองไว้ชื่อว่าวิริยะสัมโพชงวิริยะคือความแผ่ไปชื่อว่าปิติสัมโพชงวิราคะคือความสงบระงับชื่อว่าปัสสธิสัมโพชงวิราคะคือความไม่ฟุ้งซ่านชื่อว่าสมาธิสัมโพชงวิราคะคือการพิจารณาชื่อว่าอุเบกขาสัมโพชง วิราคะคือความไม่หวั่นไหวเพราะความไม่มีศรัทธาชื่อว่าศรัทธาภละวิราคะคือความไม่หวั่นไหวเพราะความเกลียดคร้านชื่อว่าวิริยะภละวิราคะคือความไม่หวั่นไหวเพราะความประมาทชื่อว่าสติภละวิราคะคือความไม่หวั่นไหวเพราะอุทจฉาชื่อว่าสมาธิภละวิราคะคือความไม่หวั่นไหวเพราะอวิชชาชื่อว่าปัญญาภละ วิราคะคือความน้อมใจเชื่อชื่อว่าสัตินสีวิราคะคือการประคองไว้ชื่อว่าวิรินสีวิราคะคือความตั้งมั่นชื่อว่าสตินสีวิราคะคือความไม่ฟุ้งซ่านชื่อว่าสมาธินสีวิราคะคือความเห็นชื่อว่าปัญญสีวิราคะที่ชื่อว่าอินสีเพราะมีสภาวะเป็นใหญ่วิราคะที่ชื่อว่าพระ เพราะมีสภาวะไม่หวั่นไหววิราคาที w ่ช enfin ื่อว mm. ่าพภชงเพราะมีสภาวะนาออกวิราคาที่ชื่อว่ามักเพราะมีสภาวะเป็นเหตุวิราคาที่ชื่อว่าสติปทานเพราะมีสภาวะตั้งมั่นวิราคาที่ชื่อว่าสัมมรปทานเพราะมีสภาวะเริ่มตั้งไว้วิราคาที่ชื่อว่าอิทิบาทเพราะมีสภาวะให้สาเร็จ วิราคะที่ชื่อว่าสัจจะเพราะมีสภาวะเป็นของแท้วิราคะที่ชื่อว่าสมถะเพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่านวิราคะที่ชื่อว่าวิปัสนาเพราะมีสภาวะพิจารณาเห็นวิราคะที่ชื่อว่าสมถะและวิปัสนาเพราะมีสภาวะมีรสเป็นอย่างเดียวกันวิราคะที่ชื่อว่าธรรมที่เป็นคู่กันเพราะมีสภาวะไม่ล่วงเลยกัน วิราคาที่ชื่อว่าศีลวิสุทธิเพราะมีสภาวะสํารวมวิราคาที่ชื่อว่าจิตวิสุทธิเพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่านวิราคาที่ชื่อว่าทิฏฐิวิสุทธิเพราะมีสภาวะเห็นวิราคาที่ชื่อว่าวิโมกเพราะมีสภาวะพ้นวิเศษวิราคาที่ชื่อว่าวิชาเพราะมีสภาวะรู้แจ้งวิราคาที่ชื่อว่าวิมุต เพราะมีสภาวะฉละวิราค้าที่ชื่อว่ายานในความสิ้นไปเพราะมีสภาวะตักขาดวิราค้าที่ชื่อว่าฉันทะเพราะมีสภาวะเป็นมูลวิราค้าที่ชื่อว่ามนุษการเพราะมีสภาวะเป็นสมุทฐานวิราค้าที่ชื่อว่าผัสสะเพราะมีสภาวะเป็นที่รวมวิราค้าที่ชื่อว่าเวทนาเพราะมีสภาวะเป็นที่ประชุม วิราคะที่ชื่อว่าสมาธิเพราะมีสภาวะเป็นประธานวิราคะที่ชื่อว่าสติเพราะมีสภาวะเป็นใหญ่วิราคะที่ชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะเป็นธรรมที่ยิ่งกว่าธรรมนั้นๆวิราคะที่ชื่อว่าวิมุตติเพราะมีสภาวะเป็นแกนสารมักที่ชื่อว่าธรรมที่ยังลงสู่อมตะพืนนิพพานเพราะมีสภาวะเป็นที่สุด มักคือความเห็นชื่อว่าสัมมาทิฐิมักคือความตรึกตรองชื่อว่าสัมมาสังกัปปะมักที่ชื่อว่าทำที่ยังลงสู่อมตะเพลนิพานเพราะมีสภาวะเป็นที่สุดวิราคะชื่อว่ามักอย่างนี้วิมุตติชื่อว่าผลเป็นอย่างไรคือในขณะแห่งโศดาปฏิพันธวิมุตติชื่อว่าสัมมาทิฐิเพราะมีสภาวะเห็น ย่อมพ้นจากมิจฉาทิฐิพ้นจากกิเลสที่เป็นไปตามมิจฉาทิฐินั้นจากขันธ์และพ้นจากสรรพนิมิตภายนอกวิมุตจึงมีวิมุตเป็นอารมณ์มีวิมุตเป็นโคจรรวมลงในวิมุตตั้งอยู่ในวิมุตประดิษฐานอยู่ในวิมุตคำว่าวิมุตอธิบายว่าวิมุตมีสองอย่างคือหนึ่งนิพพานเป็นวิมุต สองท่าทั้งปวงที่เกลื่อนพราะมินิพานเป็นอารมณ์เป็นวิมุตต์เพราะฉะนั้นวิมุตต์จึงชื่อว่าเป็นผลวิมุตต์ที่ชื่อว่าสัมมาสังกัปปะเพราะมีสภาวะตรึกตรองย่อมพ้นจากมิฉาสังกัปปะวิมุตต์ที่ชื่อว่าสัมมาวาจาเพราะมีสภาวะกำหนดย่อมพ้นจากมิฉาวาจาวิมุตต์ที่ชื่อว่าสัมมากรมันตะเพราะมีสภาวะเป็นสมุทฐาน ย่อมพ้นจากมิฉากรรมมันตะวิมุติชื่อว่าสัมมาอาชีวะเพราะมีสภาวะผ่องแผ้วย่อมพ้นจากมิฉาอาชีวะวิมุติชื่อว่าสัมมาวายามะเพราะมีสภาวะประคองไว้ย่อมพ้นจากมิฉาวายมะวิมุติชื่อว่าสาัมมาสต uhm ิเพราะมีสภาวะตั้งมั <contexto> ่นย่อมพ้นจากมิฉาสติวิมุติชื่อว่าสัมมาสมาธิ เพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่านย่อมพ้นจากมิจฉาสมาธิพ้นจากกิเลสที่เป็นไปตามมิจฉาสมาธินั้นจากขันและพ้นจากสรรพนิมิตภายนอกวิมุติจึงมีวิมุติเป็นอารมณ์มีวิมุติเป็นโคจรรวมลงในวิมุตตั้งอยู่ในวิมุตประดิษฐานอยู่ในวิมุติคำว่าวิมุตอธิบายว่าวิมุตมีสองอย่างคือหนึ่งนิพพานเป็นวิมุต สองทำทั้งปวงที่เกิดเพราะมินิพานเป็นอารมณ์เป็นวิมุตต์เพราะฉะนั้นวิมุตต์จึงชื่อว่าเป็นผลในขณะแห่งสกะทาคามิผลวิมุตติชื่อว่าสัมมาทิฐิเพราะมีสภาวะเห็นวิมุตติชื่อว่าสัมมาสมาธิเพราะมีสภาวะไม่ฟุง้งซ่านย่อมพ้นจากกลามราคะสังโยชน์จากปฏิคะสังโยชน์ส่วนที่หยับหยบับจากกลามราคานุใส จากปฏิคานุสัยส่วนที่ห ย, ยาบหยาบพ้นจากกิเลสที่เป็นไปตามไม่ช้าสมาธินั้นจากขันและพ้นจากสัพนิมิตภายนอกเพราะฉะนั้นวิมุติจึงชื่อว่าเป็นผลเนืขณะแห่งอนาคามิผลวิมุตที่ชื่อว่าสัมมาทิฏฐิเพราะมีสภาวะเห็นวิมุตที่ชื่อว่าสัมมาสมาธิเพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่านย่อมพ้นจากกลารมาราคะสังโยชน์ จากปฏิฆาสังโยชน์ส่วนที่ละเอียดละเอียดจากการมราคานุสัยจากปฏิฆานุสัยส่วนที่ละเอียดละเอียดพ้นจากกิเลสที่เป็นไปตามมิจฉาสมาธินั้นจากขันและพ้นจากสรรพนิมิตภายนอกเพราะฉะนั้นวิมุติจึงชื่อว่าเป็นผลในขณะแห่งอรหัตผลวิมุตที่ชื่อว่าสัมมาทิฐิเพราะมีสภาวะเห็น วิมุติชื่อว่าสัมมาสมาธิเพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่านย่อมพ้นจากรูปราคะจากอรูปราคะจากมานะจากอุทจฉาจากอวิชชาจากมานานุสัยจากภวะราคานุสัยจากอวิชานุสัยพ้นจากกิเลสที่เป็นไปตามมิจฉาสมาธินั้นจากขันธ์และพ้นจากสัพนิมิตภายนอกวิมุติจึงมีวิมุติเป็นอารมณ์ มีวิมุติเป็นโคจรรวมลงในวิมุตตั้งอยู่ในวิมุตประดิษฐานอยู่ในวิมุติคำว่าวิมุตอธิบายว่าวิมุติมีสองอย่างคือหนึ่งนิพพานเป็นวิมุตสองธรรมทั้งปวงที่เกิดเพราะนิพพานเป็นอารมณ์เป็นวิมุติเพราะฉะนั้นวิมุติจึงชื่อว่าเป็นผลวิมุติคือความเห็นชื่อว่าจัมมาทิฐิ วิมุติคือความไม่ฟุง concrete, ้งซ่านชื่อว่าสัมมาสมาธิวิมุติคือความตั้งมั่นชื่อว่าสติสัมโพชฌงวิมุติคือการพิจารณาชื่อว่าอุเบขาสัมโพชฌงวิมุติคือความไม่หวั่นไหวเพราะความไม่มีศรัทธาชื่อว่าศรัทธาภละวิม er ุติคือความไม่หวั่นไหวเพราะอวิชชาชื่อว่าปัญญาภละวิมุติคือความน้อมใจเชื่อชื่อว่าสัตธินรี วิมุตคือความเห็นชื่อว่าปัญญีสีวิมุตที่ช oui ื่อว่าอินรีย์เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่วิมุตที่ชื่อว่าภละเพราะมีสภาวะไม่หวั่นไหววิมุตที่ชื่อว่าพ่อชงเพราะมีสภาวะนําออกวิมุตที่ชื่อว่ามร์เพราะมีสภาวะเป็นเหตุวิมุตที่ชื่อว่าสติปทานเพราะมีสภาวะตั้งมั่น วิมุติชื่อว่าสัมมประธานเพราะมีสภาวะเริ่มตั้งไว้วิมุติชื่อว่าอิทธิบาทเพราะมีสภาวะให้สำเร็จวิมุติชื่อว่าสัจจะเพราะมีสภาวะเป็นของแท้วิมุติชื่อว่าสมถะเพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่านวิมุติชื่อว่าวิปัสนาเพราะมีสภาวะพิจารณาเห็นวิมุติชื่อว่าสมถะและวิปัสนาเพราะมสภาวะมีรสเป็นอย่างเดียวกัน วิมุตที่ชื่อว่ารมที่เป็นคู่กันเพราะมิสภาวะไม่ล่วงเลยกันวิมุตที่ชื่อว่าศีลวิสุทธิเพราะมิจภาวะสำรวมวิมุตที่ชื่อว่าจิตวิสุทธิเพราะมิสภาวะไม่ฟุ้งซ่านวิมุตที่ชื่อว่าทิฏวิสุทธิเพราะมิสภาวะเห็นวิมุตที่ชื่อว่าวิโมเพราะมิจภาวะพ้นวิเศษวิมุตที่ชื่อว่าวิชา เพราะมีสภาวะรู้แจ้งวิมุตที่ชื่อว่าวิมุติเพราะมีสภาวะสละวิมุตที่ชื่อว่าอนุปาทานญาณเพราะมีสภาวะสงบประงับวิมุตที่ชื่อว่าฉันทะเพราะมีสภาวะเป็นมูลวิมุตที่ชื่อว่ามานัสการเพราะมีสภาวะเป็นสมุทฐานวิมุตที่ชื่อว่าผัสสะเพราะมีสภาวะเป็นที่รวมวิมุตที่ชื่อว่าเวทนา เพราะมีสภาวะเป็นที่ประชุมวิมุติชื่อว่าสมาธิเพราะมีสภาวะเป็นประธานวิมุติชื่อว่าสติเพราะมีสภาวะเป็นใหญ่วิมุติชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะเป็นธรรมที่ยิ่งกว่าธรรมนั ago, ้นวิมุติชื่อว่าวิมุตเพราะมีสภาวะเป็นแก่นสารวิมุติชื่อว่าธรรมที่ยังลงสู่อมตะคือนิพพานเพราะมีสภาวะเป็นที่สุด วิมุตชื่อว่าผลอย่างนี้วิราคะชื่อว่ามักวิมุตชื่อว่าผลด้วยประการชนีวิราคะคาถาจบ 6. ปฏิสัมพิาทากถา ว่าด้วยปฏิสัมพิธาหนึ่งธรรมจักรกับปวตนะวาระวาระว่าด้วยการประกาศธรรมจักรเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ป่าอิสิ ป, ปตนมรุคธายวันเขโครงพาราณสีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสแก่ภิกษุปัญจวคีว่าภิกษุทั้งหลาย ที่สุดสองประการนี้บรรปะชิตไม่ควรเสกที่สุดสองประการอะไรบ้างคคอหนึ่งการมาสุ ข, ขันหรือการนุโยกการหมกมุ่นอยู่ด้วยการมาสุกในการมทั้งหลายเป็นธรรมอันเลวทรามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์สองัอตตกิลมัทฐานุโยกการประกอบความลำบากเดือดร้อนแก่ตนเป็นทุกข์ ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ภิกษุทั้งหลายมัชฌิมาปฏิปทาไม่เอียงเข้าใกล้ที่สุดสองประการนี้นั้นตถาคตตรัสรู้แล้วทำให้เห็นประจักษ์ทำให้รู้ชัดย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานมัชฌิมาปฏิปทาที่ตถาคตตรัสรู้แล้วทำให้เห็นประจักษ์ทำให้รู้ชัด ย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพานนั้นเป็นอย่างไรคืออรียมักมีองค์แปดนี้ได้แก่ 1. สัมมาทิฏฐิ 2. สัมมาสังกัปปะสามสัมมาวาจา 4. สัมมากรมมตะ 5. สัมมาอาชีวะ 6. สัมมาวายามะ 7. สัมมาสติ แสัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายมาชิมาปฏิปทานนี้นั้นตถาคตตรัสรู้แล้วทำให้เห็นประจักษ์ทำให้รู้ชัดย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานภิกษุทั้งหลายทุกขอริยสัตว์นี้เผอชาติเป็นทุกชราเป็นทุกขพยาธิเป็นทุกขมรณะเป็นทุก ความประสบกับอารมณ์อันไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความแพร่พลาดจากอารมณ์อันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์การไม่ได้อารมณ์ที่ปรารถนาก็เป็นทุกข์โดยย่ออุปาทานขันห้าเป็นทุกข์ภิกษุทั้งหลายทุกขสมุทัยอริยสัตวนี้คือตัณหาอันทําให้เกิดอีกประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความกําหนัดมีปกติให้เพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆคเครามตัณหา ภาวตันหาวิภาวะตัญหาภิกษุทั้งหลายทุกขนิโรธอริยสัตน์นี้คือความดับตัญหานั้นนั่นแลโดยไม่เหลือด้วยวิราคะความสละความสละคืนความพ้นความไม่อะไรในตัญหาภิกษุทั้งหลายทุกขนิโรธคาไม่มีปฏิปทาอริยสัตน์นี้คืออริยมรรมีองค์แปดือหนึ่งสัมมาทิฏฐิละถึง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 พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ตราบนั้นภิกษุทั้งหลายเมื่อใดยะถาภูตยันทัศนะของเราในอริยาาสัจสี่นี้สามรอบสองอาการอย่างนี้หมดจดดีแล้วเมื่อนั้นเราจึงยืนยันได้ว่าเป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสามัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์นหนึ่งญาณทัศนะเกิดขึ้นแล้วแข่เราว่าความหลุดพ้นของเราไม่คำเริกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่น่มีอีกพระผู้มีพระภาคได้ตรัสวยากรนี้จบลงแล้วภิกษุปัญจวคีชื่นชมยินดีพระพาสิทธิของพระผู้มีพระภาคเมื่อพระผู้มีพระภาคกาลังตรัสวยากรนี้อยู่ ธรรมจักผูอันปราจักธุลีปราจักมนทินได้เกิดแก่ท่านพระโกนทัญะญว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาครั้นพระผู้มีพระภาคทรงประกาศธรรมจักให้เป็นไปแล้วเทพชั้นภุมิมะกระจายข่าวว่านั่นธรรมจักอันยอดเยี่ยมพระผู้มีพระภาคทรงให้เป็นไปแล้ว นภาอิสิปตนะมรุกขายุวันเคครุงพาราณสีอันสมณะพรามเทวดามารพรมหรือใครๆในโลกให้หมุนกลับไม่ได้เทพชั้นจาตุมหาราชได้สดับเสียงประกาศของเทพชั้นภูมมะแล้วเลือกกระจายข่าวต่อไปเทพชั้นดาวดึงได้สดับเสียงประกาศของเทพชั้นจาตุมหาราชแล้วเลือกระจายข่าวต่อไปเทพชั้นยามา เทพชั้นดุสิตเทพชั้นนิมมานนรดีเทพชั้นปรณิมมิตวสวัตดีเทพผู้นับหนึ่งในโมพรหมสดับเสียงของเหล่าเทพชั้นปรณิมมิตวสวัตดีแล้วก็กระจายข่าวว่านั่นธรรมจักอันย่อเยี่ยมพระผู้มีประภาคทรงให้เป็นไปแล้วณป่าอิสิ ป, ปตนมรคทายวันเขครุงพารณสีอันสมณนะพรามเทวดามารพรม หรือใครๆ ใ, ในโลกให้หมนกลับไม่ได้โดยขณะครู่เดียวเท่านั้นเสียงเปล่าประกาศเรื่กระจายขึ้นไปถึงพรหมโลกด้วยประการะชนี้ทั้งหมื่นโลกธาตุนี้ก็สั่นสะเทือนเลื่อนลั่นทั้งแสงสว่างอันเจดจ้าหาประมาณไม่ได้ยิ่งกว่าเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายก็ปรากฏในโลกลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเปล่งพระอุทานว่าผู้เจริญทั้งหลาย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 คำว่าจักสุเกิดขึ้นแล้วเพราะมีสภาวะอย่างไรคำว่ายานเกิดขึ้นแล้วเพราะมีสภาวะอย่างไรคำว่าปัญญาเกิดขึ้นแล้วเพราะมีสภาวะอย่างไรคำว่าวิชาเกิดขึ้นแล้วเพราะมีสภาวะอย่างไรคำว่าแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วเพราะมีสภาวะอย่างไรคือคำว่าจักสุเกิดขึ้นแล้วเพราะมีสภาวะเห็น คำว่าญาณเกิดขึ้นแล้วเพราะมีสภาวะรู้คำว่าปัญญาเกิดขึ้นแล้วเพราะมีสภาวะรู้ชัดคำว่าวิชาเกิดขึ้นแล้วเพราะมีสภาวะรู้แจ้งคำว่าแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วเพราะมีสภาวะสว่างสวัย